พ่อแม่เหมือนพระเจ้าหรือว่าเป็นพรมพร ม, มวิหารเมตตากรุณามุทิตาของบุตรทิดาแล้วก็พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของบุตรทิดาเป็นผู้สูงสุดของบุตรทิดาแล้วก็พ่อแม่เป็นบุคพลอาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรทิดาเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาจากพ่อแม่